ม .p. สาแผ่นที่ยี่สิบเจ็ดยึดธรรมเป็นเหตุดีกว่ายึดกิเลสเป็นมักคายึดธรรมเป็นเหตุธรรมคือเป็นหลักเหตุผลถ้าว่าพวกเราอยู่ในหลักเหตุผลอันไหนคือความถูกต้องอันไหนคือความผิดอันไหนคือความเป็นธรรมอันไหนคือความไม่เป็นธรรม เราให้ยึดเหตุและผลในการเป็นอยู่ไปณจะฐานที่ใดอยู่น่ฐานที่ใดเกี่ยวข้องกับบุคคลสถานะไหนสูงต่ําพวกเราก็จะราบปืินในการเป็นอยู่ตลอดแต่ถ้าว่าพวกเราไม่ยึดเหตุไม่ยึดผลเป็นคนที่ไม่มีเหตุผลในตัวอยากจะคิดอยากจะพูดอยากจะทํา ไม่มีเหตุมีผลคนนั้นเราจะคบค้าสมาคมเราจะนำมาเป็นหมู่เป็นพักเป็นพวกของเราเราก็ต้องร ะ, ว, งระวังระวังเพราะคนไม่มีเหตุผลสามารถที่จะทำอะไรได้ทุกอย่างเพราะนั้นจึงว่ายึดหลักธรรมเป็นเหตุ ด, ดีกว่ายึดกิเลสเป็นมรรคาข้าว่ายึดกิเลสเป็นมรรคายึดกิเลสเป็นทางเดินทางเดินก็นคือ กิเลสราคะเราเดินไปตามราคะเป็นยังไงมีแต่ความทุกข์ระทมเดินไปตามโทสะโกรธโมโหโกธาเราจะยึดสายนี้ก็มีแต่ความทุกข์เราจะยึดความโลภ เ, เห็นอะไรก็โลภอยากจะได้มาเป็นของตัวทั้งหมดอันนี้ก็เป็นทุกข์อีกเหมือนกันเราจะยึดความหลงมัวเมาคิดว่าโลกวัะสงสาร น, น่าอยู่ นาทัศนานาอยู่อาศัยอันนี้ก็เป็นทุกตลอดอนันตการไม่มีที่สิ้นสุดเพราะนั้นหลักธรรมคำสอนที่ให้กติธรรมหัวข้อว่ายึดหลักธรรมเป็นเหตุดีกว่ายึดกิเลสเป็นมักคาก็เห็นว่าสมควรกับการเวลาด้วยอำนาจขุนภาษีรัตนตรายพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอให ปกปักรักษาขอให้พวกเราร่มเย็นเป็นสุขทั้งมงสาคณาญาติญาติมิตรสหายทุกทุกท่านปรารถนาสิ่งใดอยู่ในกรอบของศิลธรรมก็ขอให้สมหวังดังปรารถนาทุกประการ